ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพวกพิสุชาวบัคีว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอพักแรมอยู่ในกองทัพเกินสามคืนจริงหรือพวกวพิสุชาวบัคีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจา้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตําหนิว่าโมฆะบุรุษทั้งหลาย